หาที่พอเชื่อถือและยึดเป็นที่อาศัยชั่วระยะเดียวก็ไม่ได้ผลเต็มบรเฟฟิเวณนด้วยไฟทุกกิ่งทุกแขนงไม่มีเกาะมีดอนพอให้หายใจด้วยมันได้ปราท่านจึงตำหนิติเตียนมาตลอดทุกยุคทุกสมัยไม่เคยยกยอบ้างเลยว่ากิเลสก็ทําให้โลกร่มเย็นกิเลสก็เป็นทําให้ความเสมอภาคยุติธรรมแก่โลกเป็นต้นนอกจากกลหลอกลวงเต็มตัวของมันมาทุกยุคทุกสมัยไม่เคยทิ้งลวดลายแห่งการเปลี่ยนปลอนหลอกลวงสัตว์โลกผู้โง่เขลาที่น่าสงสารบ้างเลย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 และหายขาดเป็นปกติในธาตุขันไม่อาจสงสัยเลยเพราะทำที่ครูบาจารย์โปรดเมตตาครั้งนี้เป็นธรรมประเภทเผาเกลียงเตีนโลคโรคในขันโรคต้องแต่กระจายไปหมดไม่มีโรคชนิดใดจะหาสู้ทำประเภทเผาเกลียงนี้ได้แม้แต่กิเลสที่เหนียวแน่นกว่าโรคชนิดต่างๆมันยังต้องพินาศไปเพราะธรรมประเภทนี้สังหารทําลายท่านตอบอย่างน่าฟังและฝังใจไม่มีวันลืมว่าขันเป็นขัน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 ได้เพื่อถอดถอนกิเลสในขณะฟังมีได้เกี่ยวกับขันจะหายโรคจะพินาศดังที่ข้าใจนั้นขันจะหายหรือจะตายไม่สำคัญแต่สำคัญที่ให้กิเลสตายจากใจเพราะทําที่แสดงนี้เผาผลาเผาผลานนั่นเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพวกเรานักปฏิบัติธรรมดังนั้นจงพากันพิจารณาไตรตรองด้วยปัญญาในทำที่กล่าวมาจะเป็นกาลังใจและส่งเสริมอุบาสติปัญญาถอดถอนกิเลสภายในออกได้เป็นวักเป็นตอน ครั้งพุทธการท่านฟังทำด้วยโอปะอีโกน้อมทำเข้าสู่ตนโดยลำดับที่ได้ยินได้ฟังไม่ยอมให้ทำนั้นรั่วไหลดุดลอยผ่านหูผ่านใจไปเปล่าๆดังพวกเราส่วนมากฟังกันผลคือการแก้การถ่อถอนกิเลสในขณะฟังจึงไม่ค่อยปรากฏเท่าที่ควรดีไม่ดีคอยสั่งสมกิเลสในขณะฟังยังมีดา ด, ดืนเพียงแต่ไม่สนใจคิดกันจึงไม่ทร า, าบได้ว่าตนฟังเพื่อทำหรือฟังเพื่อกิเลสพอกพูนตัวหโเระธรรม พระพุทธเจ้าแลสาวกท่านเทศเทศจากธรรมของจริงภายในพระไทยและใจล้วนๆไม่ได้เทศจากความจำของสัญญาดังพวกเราเทศปฏิปทาเครื่องดำเนินทุกประเภททั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดท่านบำเพ็ญมายัางเต็มกำลังและรู้อย่างเต็มพระไทยและเต็มหัวใจทั้งฝ่ายมักเป็นขันขันทั้งฝ่ายผลเป็นภูมิภูมินับแต่ภูมิต่ำจนถึงภูมิอันสูงสุดวิมุตตหลุดพ้นท่านจึงเทศอย่างไม่อัดไม่อันมีแต่ธรรมบริสุทธิ์ล้วนๆหลั่งไหลออกมาจากกระแสะแห่งใจ กลมคลื่นกันออกมากับกระแสเสียงผู้ฟังด้วยคอามผู้ฟังด้วยความสนใจมุ่งต่อความจริงล้วนๆจึงสามารถตักตวงเอาธรรมของจริงขึ้นมาอย่างเต็มหัวใจไม่ขาดทุนศูนดอกจากการฟังธรรมแต่ละครั้งๆกิเลสจะเป็นประเภทใดก็าตามแม้ฝังลึกลงคู่หัวใจเมื่อสติปัญญาธรรมเป็นต้นเขย่าก่อกวนลวนลามอยู่ไม่หยุดยั้งกิเลสย่อมโยกคลอนแต่ถูกถอนขึ้นมาทีละชิ้นละอันสุดท้าย ใจก็เป็นเรือนร้างว่างเปล่าจากกิเลสทั้งปวงกลายเป็นใจที่สมบูรณ์ด้วยธรรมขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้จงพากันตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติภาวานาให้ถึงใจทุกอย่างความจริงใจต่อธรรมเข้าถึงไหนความโยกคลอนถอนตัวของกิเลสจะ ก, กระเทือนถึงนั้นโดยไม่ต้องสงสัยทั้งครั้งนี้และครั้งพุทธกาลผู้ปฏิบัติจริงสามารถบรรลุมากผลนิพพานได้เท่าเทียมกันสมกับธรรมเป็นหลักธรรมชาติคงเส้นคงวา มัจฉิมาปฏิปทาเป็นธรรมเหมาะสมกับการฆ่ากิเลสให้หลุดร้อยจากใจมาแล้วทุกยุคทุกสมัยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าจงระวังกิเลสอย่างเดียวที่เป็นคู่แข่งธรรมอย่าให้มันปีนขึ้นบนหัวได้จะทายรถลงทันทีจงระวังให้ดีเอาละพูดพอเป็นคติเตื่นใจท่านผู้มีความจงรักภักดีต่อครูอาจารย์อุตส่าห์มาเยี่ยมเยียนตามจารีตประเพณีของคนผู้เคารพนับถือกันอาการป่วยท่านค่อยทุเลาและหายเป็นปกติในที่สุด นับแต่ท่านเริ่มป่วยดังที่เขียนผ่านมาแล้วเป็นเวลาสีเดือนกว่าบรรดาในแพทย์ผู้พยาบาล ร, รักษามีศาสตราจารย์ในแพทย์อวยเกตสิงเป็นต้นตลอดในแพทย์และพยาบาลทางโรงพยาบาลอุดรธานีต่างท่านมิได้นิ่งนอนใจช่วยคันพยาบาล ร, รักษาท่านสุดกําลังความสามารถเรื่อยมาแต่เริ่มแรกป่วยจนอาการกลับดีขึ้นเพราะคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพยาบาล ร, รักษาและค่อยดีขึ้นเรื่อยๆจนเป็นปกติได้นับว่า หลวงปู่ท่านชุบชีวิตใหม่เป็นผู้ใหม่ขึ้นมาในหลวงปู่องค์เก่าต้องขออภัยท่านผู้อ่านมากๆด้วยที่เรียนเล่าประวัติการป่วยของหลวงปู่ขาวเพียงย่อยๆไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความเป็นมาทางนี้เพราะหลวงตาผู้เขียนก็แก่มากแล้วสุขภาพไม่อํานวยงานก็ยุ่งและสับสนราวกับตามรอยโคนในคอกนั่นแหละจึงหวังได้รับอาภัยจากท่านผู้อ่านด้วยดีตอนป่วยปีหนึ่งจบแค่นี้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 ได้รับความลำบากทรมานเปล่าๆ เ, เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรพอเป็นชิ้นดีแฝงมาบ้างเลยจึงหน่าอับอายความคิดของตัวที่ขนแต่ความทุกข์มาให้วันละกี่ร้อยกี่พันเรื่องจนสมองถื่อหมดกำลังที่จะทำงานต่อไป